ขอนอบน้อม <c oughs> บรัเนาไทรกาู้ชาครูบาอาจารย์ <c oughs> ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อกำเขียนก็โอกาสคณะสงฆ์เจริญพรมายังว่ชีผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่าน <c oughs> ก็นั่งกันตามปกติเนะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ ที่ยี่สิบหกเมษายนพุทธศักราชสองพรยี่สิบสองพัยส <c oughs> <th ang> ิบเดก็เป็นธรรมเนียมที่เราได้มาร่วมกันทำกิจวัตรประจำวันนะหลังจากเราได้ไว้พระสวดมนต นะซึ่งเป็นการทำวัดในตอนเช้านะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็เป็นการฟังธรรมนะก <c oughs> ็ที่วัดป่าสุกโตเนี่ยนะก็ไม่มีเรื่องอะไรนะที่จะพูดคุยกันนอกจากเรื่องของการที่เรามาเรียนรู้นะชีวิตของเรา นะเซกับประกอบไปด้วยทั้งกายแล้วก็จิตใจอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนเป็นเรื่องสำคัญอันดับแรกนะที่เราควรจะทำานะในการที่มาอยู่วัดป่าสุกตโตโดยเฉพาะกลุ่มที่มาฝึกเจริญสตนะิในช่วงเดือนเมษายนเนืนะ่อวันนี้ก็เป็นวัน อ่สุดท้ายนะของการที่มาเข้าคอร์สนะหรือมาฝึกอบรมกันบางคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นวันสุดท้ายนะของการมาอยู่วัดป่าสุกโตมาฝึกเจริญสติแต่บางคนอาจจะเป็นวันเริ่มต้นนะของชีวิตนะที่มันเปลี่ยนไปนะจากที่มาเมื่อวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ที่แล้ว นะถ้าเราลองย้อนกลับไปดนะูที่เรามาครั้งแรกนะด้วยความตั้งใจนะที่จะมาปลดเรื่องความทุกข์ความหนักอกหนักใจนะที่มีอยู่ในจิตใจของเรานะมาถึงวันนี้นะหลายคนนะก็คงจะเห็นแล้วละ่ะว่าความทุกข์ที่มีอยู่ในจิตใจเนี่ยมันมีทางออกมันมีการที่เราจะปลดเรื่อง ออกไปได้และเครื่องมือสำคัญที่เราได้เรียนรู้ก็คือความรู้สึกตัวนั่นเองนหรือถ้าเรียกเป็นภาษาบาลีก็คือสติสัมปชัญญนะนนี่เป็นเครื่องมือสำคัญ7วันที่6วันที่ผ่านมานเราคงมีประสบการณ์ในการเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจของเรามาวันแรก นะก็เป็นช่วงการปรับเนื้อปรับตัวนะปรับจิตใจนะแล้วก็สัมผัสกับอารมณ์ที่ไม่ค่อยจะน่ายินดีเท่าไหร่นักนะโดยเฉพาะความง่วงนะความเบื่อนะความฟุ้งซ่านความเจ็บปวดเมื่อนยะถึงกับบางคนนี่ไม่สบายไปเลยก็มีนะอันนี้เป็น ความจริงนะ่าเป็นสัจธรรมที่เกิดขึ้นนะกับกายกับใจของเราซึ่งตรงเนี้นะ่ะถ้าคนที่ไม่เข้าใจนะ่ะก็จะคิดว่ามันเป็นทุกข์ที่เราจะต้องวิ่งหนีหรือเราจะต้องหลีกหนีนะซึ่งชีวิตที่ผ่านมานะ่ะก็คงจะเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าเราอยู่ในบ้านในเมืองในสังคม เราเจอสภาพแบบนี้เราก็ไม่ทนที่จะอยู่กับมันเราก็ไปหากิจกรรมอย่างอื่นทำหรือว่าหลีกหนีมันไปนะก็คือพยายามหลีกหนีจากความเบื่อนะความง่วงเงานอนความฟุ้งซ่านนะไปทำเรื่องอื่นๆหรือไปหาสิ่งอื่นๆข้างนอกนะม า, ากร ub เกลื่อนไปนะวันหนึ่งวันหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นอาศัยบุคคลนะก็คือเพื่อนฝูงไปพูดไปคุยนะไปสนทนาปราศัยกันนะหรือว่าอาศัยกิจกรรมไปดูหนังฟังเพลงนะหรือหาอาหารอร่อยๆกินนะซึ่งตรงนี้นะก็ทำให้เราเพลินไปได้ชั่วขณะหนึ่งแต่เราไม่ได้กลับเข้ามา แก้ปัญหาที่ตรงจุดจริงๆแล่ก็คือเราไม่ได้เรียนรู้พลาดโอกาสสำคัญที่จะเรียนรู้ความทุกข์ที่เกิดขึน้นกับกายกับใจของเราในหลักของพระพุทธศาสนานั้นนโดยเฉพาะอาริยสัจข้อที่หนึ่งก็คือทุกข์ควรกำหนดรู้ซึ่งตะกี้นี้เราก็ได้สาธยายมนมัคมีองค์8 นะซึ่งในข้อแรกคือสัมมาทิฏฐิเนี่ยก็คือความรู้ในทุกข้อแรกเลยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยคนที่ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจนะก็จะหลีกหนีความทุกข์ไม่เข้าไปเรียนรู้มันการที่เรามาอยู่วัดป่าสุกตนะูเราได้มาฝึกเจริญสติเนี่ย <c oughs> วันแรกมาเนี่ยเราก็ได้เรียนเลยความทุกข์ <c oughs> ความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกายนะก็คือความปวดความเมื่อยความหิวความร้อนนะหรือความที่อาจจะนอนไม่หลับนะบางคนมาแปลกที่นอนไม่หลับนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นความทุกข์ทางกายนะที่เราได้สัมผัสแล้วมันก็ส่งผลกระทบไปถึงใจด้วยนะอย่างเช่นเราง่วงนะเราก็ซึมขึ้นมาเราปวดเราเื่อยเราก็งดหงิดขึ้นมา น้าหรือเราร้อนน้เราก็หดหดขึ้นมาน้าซึ่งตรงนี้เนี่ยการที่เราอยู่ที่ที่นี่เราก็ตั้งใจที่จะมาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เราก็ได้เผชิญหน้ากับมันกับสิ่งที่เป็นสิ่งที่ทนได้ยากน้ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ทางกายความทุกข์ทางใจก็ตามเราเผชิญหน้ากับมันเรากไ็ได้เรียนรู้ความจริงว่าโอ้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้น นะกับกายเกิดขึ้นกับใจของเราแต่เราก็เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะเนะช่นเราปวดเราเมนะื่อยเนี่ยเราก็แก้ไขไดนะ้ด้วยการเปลี่ยนอิเดียบทก็ได้นะอย่างเช่นเรานั่งนานๆเราปวดเราเมื่อยนะเราก็ลุกเดินนะเราก็เปลี่ยนอิเดียบท์หรือบางคนนะก็ฝึกความอดทนด้วยการที่นั่งอยู่ในท่านั่งนั่นแหละนะ แล้วก็ความปวดความเมื่อยมันจะปวดถึงที่สุดเนี่ยสุดท้ายมันก็หายไปได้เหมือนกันนะอันนี้นก็เป็นการปรับสภาพภายในร่างกายนะเราก็รู้สึกเอิบสบายขึ้นนะนี่ก็ผ่านความปวดความเมื่อยนะความอดทนก็มีได้เหมือนกันแต่สําหรับคนที่อาจจะอินเสียงไม่แก่ก้าพอนะเราก็เปลี่ยนอิริยาบถนะเมื่อเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยเราก็จะรู้สึกผ่อนคลายนะรู้สึกสบายขึ้น นะซึ่งตรงนี้ก็ให้สังเกตนะว่าเมื่อเราเปิดนเ e อียบบเรารู้สึกสบายขึ้นนะเราก็มีความสุขขึ้นมาทันทีนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นความสุขก็ดีเป็นความทุกข์ก็ดีเป็นสิ่งที่ควรกําหนดรู้เราก็รู้ให้ทันมันนะรู้ให้ทันมันแล้วก็ละลงไปนะการละก็คือกลับมารู้สึกตัวนั่นเองอย่าไปจมอยู่ในอารมณ์สุขหรืออารมณ์ทุกนะที่มันเกิดขึ้นนะซึ่ง ห้วันในที่ผ่านมาเนี่ยเราคงจะได้สังเกตคงจะได้เรียนรู้อาการเหล่านี้ใาที่เกิดขึ้นเพราะนั้นจากด่านประการแรกก็คือความทุกข์ที่เกิดจากความง่วงความเบื่อความฟุ้งซ่านนาความไม่สะดวกสบายนาตรงนี้เนี่ยก็ตรงนี้เราเกิดความอดทนขึ้นมาแล้วเราก็ได้เรียนรู้อีกว่าความทุกข์เนี่ย มันไม่ได้ทนอยู่ตลอดมันไม่ได้คงอยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะอย่างเช่นร่างกายเนี่ยเราเปลี่ยนอวัยวะมันก็เปลี่ยนไปนะเราก็เปลี่ยนไปเดินแต่เดินมานานก็ปวดก้นไม้อีกนะเออมันก็เป็นความทุกข์จางร่างกายที่มันแสดงออกมานะที่จะให้เราเรียนรู้เพราะฉะนั้นเราก็ดูมันสังเกตมันลงไปนะเราก็เห็นกายเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อใจไหมอดหิวไหม นะเมื่อเราสังเกต ด, ดูเมื่อไหนะ เ, เราก็เห็นว่าเอ๊ะบางครั้งเนี่ยมันก็ปวดเมื่อย น, นะแต่ว่าใจเราก็ไม่หงุดหิดก็ได้เออมันก็มีอย่างนี้เหมือนกันนะสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้เนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าถ้าเราดูจากทุกเนี่ยมันจะไปเห็นในสาเหตุของทุกมันเกิดจากอะไรนะโดยเฉพาะความทุกข์ทางจิตใจก็คือเรื่องความคิดเนี่ยมันคิดมากมายเลย ความฟุ้งซ่านนะเรามาปฏิบัติใหม่ๆเดิมก็ตั้งใจว่ามาปฏิบัติมันน่าจะสงบเงียบนะมันไม่ต้องคิดอะไรนะมันสบายนะแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นมันฟุ้งซ่านยิ่งกว่าเดิมยิ่งกว่าอยู่ที่บ้านนะอันนั้นก็อาจจะเป็นความรู้สึกสำหรับในวันแรกๆนะที่เราได้ม า, าฝึกตันนะ แต่พอเราฝึกเป็นไปนานๆเข้าเราเห็นว่าโอ้มันก็ธรรมดาเนะความคิดความฟาุ้งซ่านนะมันก็เป็นธรรมดาที่มันจะเกิดขึ้นมามันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ผ่านไปนะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้มาฝึกสติเนี่ยนะเราก็พยายามที่จะกดข่มมันม่มันคิดนะหรือมันคิดมากเราก็รู้สึกเออไม่ชอบใจ เ ง, งียบีดขึ้นมาทำไมมันฟุ้งซ่านทำไมมันคิดมากอย่างนี้อะจริงจริงเในชีวิตประจาวันเราก็คิดฟุ้งซ่านอย่างนี้แหละเพียงแต่ว่าเราไม่ได้สนใจมันเราไม่ได้ดูมันเราไปมองดูอยู่ข้างนอกไปยุ่งอยู่กับการงานไปยุ่งอยู่กับครอบครัวไปยุ่งอยู่กับสิ่งต่างๆที่อยู่ข้างนอกแต่มาอยู่ที่นี่เนี่ยเราไม่ได้ไปยุ่งกับเรื่องในนอกมากและสภาพแวดล้อมที่มันสงบเนี่ย มันทำให้เรามองเห็นชัดความคิดฟุ้งซ่านเนี่ยมันก็แสดงตัวออกมาให้ชัดเจนนอกจากการที่เราเจริญสติเรากับมารู้สึกตัวบ่อยๆเนี่ยเราก็จะรู้ว่ากําลังนาหรือพลังของความฟิตฟุ้งซ่านเนี่ยมันก็จะอ่อนแรงลงนาพูดง่ายๆก็คือแต่ก่อนเนี่ยเราสนใจเราใส่ใจเราให้ค่ามันมากกับความคิด แต่พอเรามาจเจริญสติเนี่ยเราไม่ให้ข้ามเลยเราไม่สนใจมันเลยเรามาสนใจอยู่กับความรู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวเนี่ยไอความคิดฟุ้งซ่านเนี่ยมันก็อ่อนกําลังลงมันไม่มีค่าไม่มีราคาเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมันก็ทําให้ความคิดฟุ้งซ่านนั่นนะลดลงไปนะแต่มันไม่ได้หายไปหรอกมันก็ยังมีอยู่เพียงแต่ว่ากาลังของมันที่จะมาตามให้เราหมดหงดิดเนี่ยนะ ก็มีน้อยลงหรือแทบจะไม่มีเลยมันก็ยังคิดอยู่นะแต่เราก็รู้ทันมันคิดปุ๊บก็รู้ปับ๊บนะแรกๆเนี่ยเราไม่ทันมันหรอกคิดไปร้อยเรื่องพันเรื่องไม่รู้เรื่องเลยไม่ทันมันเลยพอเรามาเจริญสตินะเราก็เห็นพัฒนาการแล้วนวะ่าคิดร้อยเรื่องรู้ทันเรื่องหนึ่งอีกเก้าสิบเก้าเรื่องไม่รู้นะ ทีนี้พอเาทำไปบ่อยทำซ้ำไปซ้ำมาก็คือกลับมารู้สึกตัวให้ได้บ่อยๆเนี่ยจากหนเรื่องเนี่ยเราจะคิดทึงสิบเรื่องอีกเก้าสิบเรื่องไม่รู้นะทำไปเรื่อยๆนะคิดห้าสิบร้เรื่องรู้ทึงห้าสิบเรื่องอีกห้าสิบเรื่องไม่รู้นะทำไปบ่อยๆเรื่อยๆเนี่ยสุดท้า ย, ยคิดปุ๊บรูปรับคิดปุ๊บรู้ปับซึ่งตรงนี้เนี่ยถืงว่าสติเนี่ย เขาเริ่มมาทำหน้าที่ของเขาอย่างเต็มที่แล้วแตซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคงจะมีประสบะการณ์าจากการที่เราได้มาปฏิบัติในระยะ 5-6 วันที่ผ่านมาบางช่วงความรู้สึกตัวมันก็ชัดมันก็ทันบางช่วงมันก็ไม่ทันมันก็เผอไปบ้างแต่เผยแล้วแล้วไปกลับมารู้สึกตัวได้บ่อยๆเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวเนี่ย ให้เป็นความรู้สึกสดๆก็คือเกิดขึ้นนะกลับมารู้สึกตัวให้บ่อยๆแต่ความคิดเกิดมาไม่ห้ามแต่ไม่ตามกลับมารู้สึกตัวแค่นั้นเองเพราะว่าใจของเราเนี่ยมันจะรับรู้ได้ทีละเพียงยนึ่งอย่างเท่านั้นก็คือว่าถ้าความคิดเครื่อนาำใจความรู้สึกตัวก็จะเข้าไม่ได้แต่ถ้าความรู้สึกตัวเข้าไปก่อน ความคิดก็เข้ามาในใจไม่ได้เพราะฉะนั้นจารต้งศีลจึงให้สูตรสําเร็จในที่ว่าใจมีสติอยู่กับกายนี่คือสิ่งที่เราทําผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือใจเป็นปกติใหรือภาษาบาลีเรียกว่าศีลนั่นเองใจปกตินี่แหละนเป็นธรรมชาติดังเดิมเป็นธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงให้เราไม่เป็น รูปประสาทให้เราไม่ทุกข์ใจนะให้เราไม่เป็นบ้านะที่เราเป็นปกติสุขเพราะว่าใจมันเป็นปกตินะตรงนี้เป็นจุดสําคัญเพราะฉะนั้นที่เราทําเราก็ไม่ได้ทําเพื่อให้ใจหรือไม่ใช่เด็ดสร้างให้ใจมันปกติแต่ใจนะมันปกติอยู่แต่เดิมแล้วแต่ที่มันไม่ปกติเพราะเราเผลอเรา เพลินไปในความสุขหรือเผลอไปนในความคิดการเพลินก็ดีการเผลอก็ดีเป็นการที่เราไม่รู้ตัวเราลืมตัวไปดฉะนั้นการที่เรามาเจริญสติเนี่ยก็เพื่อที่จะให้เราเนี่ยกลับมารู้สึกตัวไม่เผลอไม่เพลินไปในอารมณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายพอใจไม่พอใจสุข หรเศร้านะก็ตามนะเพียงแต่ว่าเรากลับมารู้สึกตัวเนี่ยใจเขาก็คืนสู่ความเป็นปกตินะซึ่งเป็นเอ่อสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยชีวิตของเราโดเฉาในส่วนของจิตใจเนี่ยนามันเป็นปกติสุขนเป็นสันติสุขที่มีอยู่ในจิตใจของเราเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยคงจะเป็นส่วนที่หลายคนหลายท่าน คงจะได้สัมผัสกับความรู้สึกเป็นปกติอยู่บ้างความเป็นปกติของจิตใจเนี่ยเราไม่ค่อยจะคุ้นเคยมันเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกเฉยเฉยจิตจืดชืดชืงานนั้นกับเรารับตานอาหารส่วนใหญ่เราก็ชอบรสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มรสจืดๆเนี่ยน้อยคนนะที่จะชอบส่วนใหญ่เราจะชอบกับรสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็ม ในใจิตใจของเราก็เหมือนกันเราคุ้นกับความสุขคุ้นกับความทุกข์แต่เราไม่คุ้นกับความเป็นปกติของใจนะเรารู้สึกว่าชีวิตมันจุดชืดกันไปมันน่าจะมีอะไรที่สนุกสนานเพลิดเพลินะ plan, อย่าจเจริญตาจเจริญใจนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้มาตั้งแต่เล็ก นาจนเติบใหญ่แต่ไม่ได้ก็ตามนาที่เราติดในสุขเราก็จะต้องทุกข์ในวันข้างหน้าเพราะอะไรเพราะความสุขเนี่ยมันก็ไม่แน่นอนนาเมื่อสุขรบ ล, ลงหรือหายไปความทุกข์มันก็แสดงตัวออกมานาเราะนั้นสุขทุกข์เนี่ยมันก็ผันแปรเปลี่ยนแปลงไปนาดูตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้เท่าทันนาความสุขความทุกข์ นะแล้วเราก็เรียนรู้มันความจริงของมันที่มันไม่คงที่ตายตัวแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเราก็จะไม่เอาใจเนี่ยหลมไปในกระแสของความทุกข์ความสุขนะฮเรายังคงมีใจที่เป็นปกติแล้วก็มองเห็นความสุขความทุกข์เนี่ยเป็นเหือนกระแสน้ําที่ไหลผ่านเราไปหรือสายลมนที่พัดผ่านตัวเราไป เราไม่ตกจนอยู่ในกระแสะน้ำนั้นเพราะนั้นตรงนี้ก็เกิดสภาวะของผู้ดูขึ้นมาแต่ก่อ น, นั้นที่เราจะมาฝึกเนี่ยเราคงไม่ได้มีโอกาสหรือมีโอกาสน้อยที่เราเจนตรงนี้ส่วนใหญ่เราก็จะตกจนไปอยู่ในอารมณ์ต่างๆอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายอารมณ์สุขอารมณ์มทุกข์ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทำให้เรามีชีวิตที่สุขสุขทุกทุก อย่างที่เราเคยเป็นมานะเส้นตอนนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราพอจะเปรียบเทียบได้วันแรกที่มากับวันนี้เป็นอย่างไรความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทําให้เกิดชีวิตนชีวิตใหม่เป็นชีวิตแห่งความรู้สึกตัวแต่ก่อนนั้นเป็นชีวิตที่สุขทุกข์แต่ชีวิตแห่งความรู้สึกตัวเป็นชีวิตที่เป็นปกติสุข จะเป็นชีวิตที่อยู่กับเนื้อกับตัวได้บ่อยๆจากรูปแบบที่เราได้ทำอาจจะเป็นการเดินจงกลก็ดีสร้างจังหวะก็ดีเมื่อเร า, เาสังเกตเห็นสิ่งที่เรียกว่าความรู้สึกตัวกับความคิดไม่ชัดเราก็ขยายผลไปในกิจวัตรประจำวันของเราตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอ น, นตั้งแต่ ลุกขึ้นล้านหน้าแปลงฟันด้วยความรู้สึกตัวด้วยสตินะมาไห้พระสดมนนะก็มีสติอยู่กับบทสดมนนะบางทีมันก็คิดแร้ปกไปนะเราก็เรียกกลับคืนมานะที่บทสดมน่นะนี่ก็เป็นการเจริญสติในกิจวัตรประจำวันนะ่ะไปเข้า้องน้าขับตายอุจจระปัสสาวะด้วยความรู้สึกตัว นะไปเดินไปสาลาน้าแทนะนที่จะเดินไปจับกลุ่มคุยกันเราก็ต่างคนต่างเดินด้วยความรู้สึกตัวนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็เป็นการฝึกงอกรูปแบบนะในกิจวัตรประจาวันนะเราตักอาหารด้วยความรู้สึกตัวมีประมาณรู้จักประมาณในการกินนะ ตักอาหารมาก็ตัก อ, อานแล้วก็ตักเข้าปากเคี้ยวให้ละเอียดให้แรกงานได้ความรู้สึกตัวอีกเหมือนกันลราพฤติกรรมของเราเปลี่ยนไปแต่ก่อนเราเคี้ยวอย่างรวดเร็วขณะที่ตักข้าวกินเราก็จะคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดเรื่องการคิดเรื่องงานแต่มาอยู่ที่นีน่เราตักข้าวกินเราอยู่กับการเคี้ยวเรามีความรู้สึกตัวกับการเคี้ยว เราสัมผัสกับรสชาติของอาหารเปรี้ยวหวานน้ำเค็มเรารู้อยู่และใจเราก็เราก็สังเกตดูในะรสชาติที่เราชอบเราก็มีความพอใจรสชาติที่ไม่ชอบเราก็ไม่พอใจขึ้นมาแต่ถ้าเรามีสติเราก็จะรู้ทันมันเนะเราก็เห็นล้ความพอใจไม่พอใจมันเกิดขึ้นเออรู้เนะแล้วเราก็ถอนตัวออกมาไม่อยู่ที่ความรู้สึกตัวไม่อยู่ที่การเคี้ยวนะตรงเนี้ย ก็เป็นการถอนความพอใจไม่พอใจออกมาจากการรับประทานอาหารเพราะฉะนั้นตรงนี้นะ่ยนะก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถเจริญสติได้ยอย่างต่อเ น, นื่องจากในรูปแบบขยายผลไปนอกรูปแบบนะทานข้าวเสร็จก็ไปล้างจานล้างถ้วยล้างถาดล้างช้อนด้วยความรู้สึกตัวสัมผัสกับน้ําที่เย็นนะแล้วก็ล้างให้มันสะอาด ไม่ใช่รีบร้างเราจะรีบรไปลงฐานอะไรอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการเจริญสติเนี่ยมันสามารถจะทําได้ในกิจวัตรประจําวันซึ่งเรามาที่นี่เราได้มาฝึกตรงนี้หลังจากล้างจานล้างถาดเรียบร้อยแล้วเราก็เดินมาที่หอไตก็ดีที่ลานหินโค้งก็ดีด้วยความรู้สึกตัวมาแปลงฟันล้างหน้าทําความสะอาดาช่วยกันปัดกวาดเช็ดถู ด้วยความรู้สึกตัวนะซึ่งอันนี้ก็เป็นได้ทั้งบุญที่เกิดขึ้นภายในตัวเราก็คือการเจริญสติแล้วก็เกิดประโยชน์แก่สถานที่นาะที่เราม า, าใช้ประโยชนะ์ตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้จากการเจริญสตินอกรูปแบบหลังจากทํากิจวัตรประจําวันแล้วก็กลับไปเรียนจงกลมในรูปแบบของเต่อที่ลานหินโคงจนถึงเวลา เวลากลางวันนะก็ไปทานะทานอาหารกันเพราะนั้นจึงว่าการเจริญสติเนี่ยถ้าเรามีความใส่ใจเราสามารถจะทําได้ตั้งแต่ตื่นยันหลับแต่ก็ไม่นอนนะมันไม่ใช่ว่ามันจะรู้สึกตัวตลอดเวลาหรอกบางทีมันก็เผลอไปบ้างก็ไม่เป็นไรเผลอแล้วก็กลับมาใหม่นะบางทีก็เผลอไปบ้างแล้วก็กลับมาใหม่เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจาก สิ่งที่เราได้ฝึกเนี่ยนะเราจะได้เครื่องมือสําคัญละก็คือสติสัมปชัญญะหรือความรู้สึกตัวนะที่จะเป็นเครื่องมือจะติดตัวเราในการที่เราจะกลับไปสู่บ้านเรือนนะแล้วเราก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้นเะมื่อเราไปอยู่ที่บ้านที่เรือนแต่แน่นอนละนะสติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันไม่คงตัวเหมือนกันมันแปลเปลี่ยนได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ฝึกฝนและไม่ได้เพียรทําอย่างต่อเนื่องจริงๆเนี่ยเรากลับไปแล้วเราไม่ได้ทําต่อเนี่ยมันจะค่อยๆเลือนหายไปนะมันก็จะเลือนหายไปกับชีวิตประจําวันกับสิ่งแวดล้อมซึ่งมันเบ่งดูดให้เราไปสนใจเรื่องข้างนอกมากแต่เรื่องข้างในเนี่ยเราจะสนใจน้อยลงเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ยจำเป็นนะถ้าใครคิดว่าสิ่งนี้ เป็นประโยชน์สิ่งนี้มีคุณค่าเป็นสิ่งที่เราควรจะทำต่อเนื่องไปเนี่ยก็ควรจะจัดโปรแกรมในชีวิตประจาวันของเราทำในรูปแบบเถนะจะเป็นตื่นนอนก็ดีก่อนนอนก็ดีสักครึ่งชั่วโมงก็ได้นะทำในรูปแบบเลยนะแล้วก็ในชีวิตประจาวันก็พยายามที่จะเก็บตก นะความรู้สึกตัวในกิจวัตรประจําวันนะบางทีมันก็เป็นเรื่องยากนะมันไม่ง่ายหรอกแต่ขอเรามีความตั้งใจเถอะนะมีความตั้งใจมีความเพียรที่จะทำเนี่ยนะมันก็ไม่เกินความสามารถของเรานะที่เราจะทำได้ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการต่อยอดหรือต่อเนื่องนะในการที่เราจ ะ, ะฝึกฝนนะจิตใจของเรา มาให้มีสติอยู่กับเนื้อกับตัวบ่อยๆการที่เรามีสติไปในกายบ่อยๆเนี่ยก็จะทําให้เราไม่หลงไปในอารมณ์ไม่หลงไปในความคิดจนเกินไปบางคนบอกเวลาโกรธจะทํำยังไงเนี่ยตรงนี้ถ้าเรามีสติเนี่ยมันจะไม่มีคําถามเลยเพราะว่าเมื่อมันรู้สึกตัวเนี่ยเพียงแค่มันเริ่อหยุดหงิดขึ้นมานิดนิดหน่อยๆเนี่ยมันจะเห็นละสติมันจะทํางานละมันจะไม่ไม่เพิม พลังขึ้นมึนความโกรธหรือบางทีมันไม่ทำมึงมันเกรดไปแล้วเนี่ยแต่ถ้าความรู้สึกตัวดีเนี่ยมันจะู้ละอู่มันโกรธละมันไม่ต่อละมันก็จะหยุดได้เราไม่ได้เป็นคนหยุดนะแต่สติความรู้สึกตัวที่เราฝึกนี่แหละเขาเป็นคนที่เข้าไปร <c oughs> ะงับไปปรับสมดุลของอารมณ์ได้เพราะมันตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ ควรจะทำอย่างต่อเนื่องนะหลังจากที่กลับไปแล้วนะแล้วก็ <c oughs> พยายามหาจังหวะอาโอกาสนะที่จะรู้สึกตัวในกิจวัตรประจำวันโดยว่าคนทำงานราชาการนี่เรามีวันหยุดวันหยุดเนี่ยแทนที่เราจะไปทำเรื่องอื่นเราก็แบ่งเวลาสนะิเป็นวันแห่งสติหรือสักวันหนึ่งหรือเพิ่งวันเหมือนสมัยก่อนเนี่ยคนไทยโบราณเรามีวันพระ วันพระก็คือวันที่เราหยุดการหยุดงานงาสำหรับที่จะไปทำบุญไปดูวัดทำจิตให้มันสนงบปล่อยวางในภารกิจการงานงาเพื่อให้จิตเพื่อที่จะได้มาฝึกฝนจิตใจของตัวเองแต่วันนี้เนะี่ยวันพระสำหรับคนไทยเราเนี่ยเราไม่เคยรู้ว่าวันพระวันไหนเรารู้แต่วันเสาร์วันอาทิตย์ เระนั้นวันหยุดเนี่ยน่าจะเป็นวันที่เราได้ามาฝึกผลเรื่องนี้อยู่ที่บ้านจัดสถานที่ให้มันพนอเหมาะที่จะทําทเรื่องนี้จะกครึ่งวันก็ดีเลยทั้งวันก็ดีและท่านติสนาธันเนี่ยพระชาวเวียดนามก็เคย เ, เขียนไว้ใ น, ะ น, น ห, หนังสือปฏิหารเรื่อการตื่นอยู่เสมอว่าในหึสัปดาห์เนี่ยเราก็ควรจะมีวันแห่งสตินะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้เราสามารถที่จะต่อยอด เราดูเพิ่มเติมนะสิ่งที่เราได้ฝึกฝนไปนะเพื่อให้มันมีความต่อเนื่องตราบใดที่เรายังยังไม่ไว้ใจและยังไม่วางใจว่าเราถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วเนี่ยอยาได้หยุดเลยนะในการที่เราจะเจริญสติอย่างต่อเนื่องเราจะพยายายิ่งผู้ที่ได้ฝึกฝนไปแล้ว พอมีประสบการณ์ไปแล้วห้าวันหวันเจวันพอจะจับประเด็นได้พอจะมีเครื่องมือนในการที่จะฝึกได้ก็อย่าไปทิ้งนะตรงนี้เป็นสิ่งที่เราหน้าที่จะได้เอาไปทำต่อนในชีวิตประจำวัน น, นอกจากนั้ น, นาบางทีเราไปทำคนเดียวมันก็จะงเหงาวงาวัย่งนี้มันก็มีสื่อทั้งอินเทอร์เน็ตนซึ่ง เราก็สามารถที่จะเข้าไป เ, เรียนรู้ประสบการณ์แบ่งปันพูดคุยนะซึ่งตรงนี้นก็เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมนะและบางทีก็จะเรียกว่าเป็นการสร้างสังฆ ข, ขึ้นมาโดยไม่จําเป็นว่าจะต้องมาอยู่ที่วัดอาศัยสาภาพแวดล้อมอาศัยสื่อที่มีเนี่ยบังก็จะทำให้เราได้หันกลับมาคิดเรื่องพวกนี้บ้างหรือมาสนใจเรื่องพวกนี้บ้างแทนที่จะให้เรื่องข้างนอก มันมาดึงใจเราออกไปแลนะตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราสามารถที่จะทําได้น ะ, ะเพราะฉะนั้นการมารอยู่วป่าสกโตในะวันนี้เป็นวันสุดท้ายขององคปฏิบัติประจําเดือนเนี่ยก็อย่าไปคิดว่าเป็นวันสุดท้ายนะเป็นวันเริ่มต้นของชีวิตแห่งความรู้สึกตัวให้เป็นวันเริ่มต้นของชีวิตใหม่ที่เราจะมี ความเป็นปกติสุขซึ่งเป็นสุขที่มันมีอยู่แล้วเป็นปกติมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราเผลอเผลอไปออกับสิ่งแวดล้อมข้างนอกมากจนเกินไปแต่ตรงนี้ก็ไม่ไ ห, มหมายความว่าเราจะไม่สนใจเรื่องข้างนอกน ะ, นะเรื่องข้างนอกเราก็สนใจอยู่แต่เราก็มีสนใจเรื่องข้างในด้วยไปพร้อมๆกันไม่ว่าเราจะไม่หมดเนื่อหมดตัวไปกับ เรื่องข้างนอกนะแล้วก็ทำหน้าที่ของเราตามปกติไม่ใช่กลับไปแล้วจะไปนั่งยุบมือตลอดเวลามันคงเป็นไปไม่ได้เราคงไม่มีเวลาที่จะมาใช้ชีวิตอยู่อย่างที่วัดป่าสุกตเราก็ไปปรับไประยุ์เอานะอย่างบางทีเรานั่งอยู่เฉยๆนะในที่ชุมชุนเราคงไม่ต้องไปนั่งยุบมือแล้วนั่งคลงิว ม, มื อ, ม อ, มอก็ได้รูบมือลูบตัวก็ได้ งานและเรียกว่าเราไปรประยุกต์หรือพิกมือเล่นก็ได้นะกระดิกขาเล่นก็ได้อันนี้เป็นเรื่องของการที่เราจะปรับหรือประยุกตนะ์การเจริญสติของเราทําอย่างไรก็ได้ที่ให้ใจเนี่ยมันมีสติอยู่กับกายบ่อยๆนะก็เรียกว่ามีสติไปในกายทุกเมื่อนะตรงนี้ก็จะทําให้ความรู้สึ ก, กตัวที่เราได้ฝึกฝนไปเนี่ยมันได้มีความก้าวหน้า นะมันได้มีความฉับไวขึ้นแล้วก็เราจะได้ใช้เป็นเครื่องมือนในการที่เราจะมีชีวิตในโลกนะเข า, าบอกว่าผู้มีสตินะอยู่บ่อยเนี่ยจะทำให้ชีวิตเนี่ยก้าวหน้าพัฒนาขึ้นไปนะผู้มีสติอยู่ทุกวันเนี่ยชีวิตก็จะเจริญก้าวหน้าทั้งในอา่าส่วนของจิตใจส่วนของร่างกายส่วนของการงาน นะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเอาไปทำได้แมนะ้ว่ามันจะยากเย็นขนาดไหนก็ตามนะถ้าเราเห็นประโยชน์แล้วนะเราเตั้งใจเราอยากจะทำต่อเนื่องกันไปนะนี่ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากนะสำหรับกลุ่มที่มาเป็นวันนี้วันสุดท้ายก็ให้เป็นวันเริ่มต้นแล้วก็การจเจริญสติให้มันเริ่มต้นใหม่เรื่อย ให้เป็นสติที่สดทุกขณะทุกเวลานาทีเพราะนั้นตรงนี้มันจะทำให้การปฏิบัติของเรานั้นไม่ขึ้นอยู่กับการเวลาไม่ขึ้นอยู่กับสถานที่สึ่งกับที่บอกว่าธรรมะเป็นอากาลิ ก, กูไม่จำกัดการเวลาเป็นสิ่งที่จะรู้ได้ด้วยตัวเราเองด้วยความเพียรพยายามของพวกเร า, าก็คงจะทำให้เรานั้นได้สัมผัส นะกับความจริงของชีวิตนะที่เป็นความเป็นปกติสุขนะแล้วก็ได้เห็นกระแสของความสุขความทุกนขะ์เป็นเหมือนกระแสน้ำที่ไหลผ่านนะแทนที่เราจะตกตันไปอยู่ในกระแสนั้นเราก็ถอนตัวออกมาเป็นผู้ดูไม่เข้าไปเป็นผู้เป็นในะอย่างที่หลวงพ่อคาเขียนนั้นพูดอยู่เสมอนันะนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้นะ ในท้าที่สุดนี้นะก็อิ่งเอ า, อนาคนของพระเสด็รัตนตรัยนะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆนะ์พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะก็คือสติสัมปชัญญะนะที่มีอยู่ในตัวเราที่เราได้ฝึกฝนพระธรรมคือสัจธรรมความจริงนะที่แสดงปรากฏให้เราเห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะพระสงฆ์ก็คือ กา ร, ป, รปฏิบัตินะการทําของตัวเรานะที่จะมุ่งตรงนะไปสู่ความหลุดพ้นะจากความทุกข์ทั้งหลายนะและก็ความเพียรพยายามความตั้งใจของทุกท่านนะน่าที่จะเป็นพละวะปัจจัยหนุนนาให้ทุกท่านนะได้พบกับสันติสุขคือความเป็นปกติของใจอยู่บ่อยๆ ในชีวิตประจำวันนี้โดยทั่วหน้ากันเถินเจริญพร